แต่ได้เริ่มต้นใหม่บางทีผมคิดว่าขี้เกียจจะไปเริ่ตรงนี้สบายแล้วก็เลยต่ตอนนี้ได้ทราบถ้าสบายอยนั้นนั่นคือสมถะตั้งหลังเข า, งาเนี่ยใจใจใมีพระองค์หนึลมหายใจมันเป็นการได้ได้ลมท่านเห็นเป็นแสงสว่างมันพิ้งขึ้นพิ่งลงเห็นอยู่นี้ทั้งวัด น, นะได้อยู่อย่างนี้อีกกีปีก็อยู่ตรงนี้แหละมันเป็นวิธีที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้า วิธีทำปักสงบส่วนวิธีที่จะมาเจริญสติปัญญาคอยรู้กายตัวเองคอยรู้ใจรู้ใจก็คือรู้ความรู้สึกอันี่ยต้องเราต้องเคตได้มาสอนเราชอบไปรู้ของอื่นๆเช่นเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราไม่สนใจความรู้สึกในใจของเราเองต่อไปนี้สมมติเห็นลูกค้า ม, มาเยอะเลยเราดีใจรู้ว่าดีใจนะ วันนี้ไม่มีลูกค้ า, าเลยไนหะมใจขาไม่สบายนะให้รู้ว่ไม่สบายใจให้รู้ไปที่ความรู้สึกของตัวเองตามที่ไหนเป็นจริงจริงคารู้สึกเป็นไงรู้ว่าเป็นยังไงนะฝึกเท่านี้พนนะนะอาด้ฟังจากปากแท้จริงมันไม่ยากอะไรหรอกนะนะอยู่โรงงานเหรอยู่ที่ไหน เออกาใ ร, ใรใกล้ใกดเออ่ทีมนี้บ้างไมมันนั่ยิม้อย ม, มอ <c ười> ู้สึไม่เกรงใจเลเนี่นยรู้สึกตัวได้ไ่อยางรู้สึกตัวได้่อยขึ้นหรือยัง <c ười> ก็ยังดีนะยังุีศาตร์มาบั๊คือหันใหม่ๆเราก็เป็น่าบนรดเนี่ยเราเป็นสารว่าแเชฟสรวัตรสารวัารก็เป็นข้าที่ทำได้เรียนหสือทำงนแล้วนะเรียนหงสือเนี่ยแนนี้จิตตัแตกไปไปได้เลี่ยือจากความรู้สึกเนี่ยรอ้จากโบรย จัดตัวเลยเป็นอิจฉาในร้าฉาเป็นรู้ไหมว่าเรามีอิจฉาแนต่อไนี้ควารู้สึกอะไรเกิดขึ้นใ็้รู้ไว้ให้รู้ว่าควารู้สึกของตัวเองยืนนความรู้สึกของตัวเองต้องหมดเ้จคและเวลาเราไปคุยกับเขาเราดูัเรเองมันออกไหมเรียกว่าภาษาเราเาขาดสติ หาสติก็คือการทเราลื่อนเกลื่อนสเกไมว่าเราจะลืเก่นวมากันวันหน้เราลืกยื่อใจก็คะชอบเปนัคิดงนั่งทะรอาตสัเกตไมั้งไปคิดต่คิดเ่อะมากฝัวอัไหรู้ไหมตังไปคิดไป่ดูออกไหหาตัวเอง พอไปพอจิตของเราไปฟังนะมันร <anha> <buttons> ู้เลยว่าเป็นฟังแต่จิตแอบไปคิดรู้แต่ดีว่าไปคิดพอมันรู้ผ่านแล้วไปคิดปุ๊บคิดจะตัดเฉยเลยมาจะเลยพอรู้สึกตัวมันรู้แล้วแต่รู้สึกตัวมันก็ยังช่วมันนะเด็กไคิดใหม่คิดใหม่รู้ใหม่ก็ยืนมีตัดมีรู้สึกตัวนี้นี่เรารู้สึกตัวบ่อยๆบ่อยๆที่ีเข้าจิตใจเราจะรู้จักสภาวะของความรู้สึกตัว มันจะเห็นในสภาพว่ามีควารู้สึกตัวไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดตเกิเลยตัลงไปคิดไม่คิดไปทุกข์นะจิใจเราบางทีอยูนเดียวมันคิดไปเลยทุกข์เลยก็มีช่ไเป็นไปต้งคิดเอาเองคิดก็เลือดดำแต่อคิดอะไรเพื่เลี่ยเป็ทุกข์สาวสารุ่วร่างคนรู้สึกการทุกข์เหคิดอะไรเหนเศร้าไ้เลาเป็นความสุขเรื่อเก็งแค่น้ ไม่ดีมาสวมวินญาหนักเกยที่เรานะทำให้จิตใจอ่อนแอกเคยทำไหมแก้งทาคิดอะไรเศร้าๆให้มรู้สึกเกลีดความรู้สึกเกลียดเป็นสิ่งที่มีค่ามากเราลากัวเียที่สุดแต่เราทิ้งตัวเองไว้ซ้ำเราสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจเอง เราบางทีใส่ควารู้สึกืนะไม่สนใจครู้สึกของตัวเองเป็นต่ไปเนี่ยหันมาสนใจความรู้สึกของตัวเองก็เช่นตื่นเช้าขึมาวันนี้จิตใจเบิกบานตื่นเช้าขึ้นวันนี้ไม่สบายใจเป็นไหมตืแต่ละวันไม่เคยรสึกเหมือนกันรู้สึกบ้างไหหรือตื่น่เช้านี้กับตอนเย็นนี้ความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตนที่ตื่นใหม่กันเดียวเนี่ยไม่เหมือนกัน ตอนที y, à, mm ่นั่งรถมาแต่ตอนนี้ก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมความรู้สึกเราตอนมาถึงวัดใหม่ๆตื่นเต้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ตื่นเต้นมันนี้เหมือนนั่งกุยยืนตรงนี้ยความรู้สึกยังเปลี่ยนเปลี่ยนมันเป็นให้เราหันไปรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่ไม่ใช่นั่งจ้ามันงจ้านั่งเข้าไม่ได้นะมันไม่เกิดปัญญา เนี่ยจิตมันนี้ไปรู้ว่าวันนี้ไปรู้แค่นั้นแหละไม่ทำอะไรต่อส่วนาว้ากพอเรารู้ว่านีปุ๊บเราจะดึงมัรู้สึกไหมอย่าไปประคองนี่ต่อแล้วนะไม่ประคองรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆโล่นละเออตั้งอย่างนี้อย่าไปแกล้งทำนะที่ถูกกัะที่ถูกก็ไม่ให้ทําขึ้นมาถ้าเมื่อไรเรารู้โล่ที่ผิดนะจิตมันผูกอยู่ถ้าเราจงใจทําที่ถูกถหรือไม่ไปนั้งเพ่ง เนนั่งจ้องจ้องตามหนังสั่งคีอไม่ก็ตัวขยันปฏิบัติสิ่งหลงไมแปกลไม่จับใจลอยไหมคุณผู้ชายเนี่ยรู้สึกไหมจิตแจงเราตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันไม่เหมือนกันเนี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นนี้เราคิดว่าการปฏิบัติต้องทําอะไรขึ้นการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรเลย การปฏิบัติเนี่ยนะกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงเนี่หลักของวิปัสสนาแท้ๆนะรู้กายรใใู้แจตามความเป็นจริงแต่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราเริ่มบังคับให้นิ่งๆรู้สึกไหมเริ่มบังคับตัวเองการบังคับกดข่มตัวเองเนะี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอตตะกิรมัคฐานุโ ย, โยคุยได้ยินไหมนะที่พระพุตธเจ้ า, อญญาสอนปัญญาัคชีอย่าทำสิ่งสุดโต่งสองอย่างนะ อย่างหนึ่งการปรุงการนิยมการเที่ยวไปสวัสดิ์อารมณ์ที่ทอระตุ้นหอใจอยากดูอยา ก, ยากฟันอยากคิดอยากได้กลิ่นอยากได้รเจ้าวิ่งฟุ้งฟาไปภายนอกอีกัารจะอัาต า, ากโดยนิสันิยมก า, า, ารบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเป็นหายใจสบายๆก็เปลี่ยนท่าหายใจเปลี่ยนจังหวะเหนื่อยไปเจรินท่านี้ก็เปลี่ยนท่าเดิ ไปทำอะไรก็เปลี่ยนไปจากความเป็นปกติของเราจิตใจก็เป็นการจิตใจเกยเคลื่อนไหจิตใจเกยเปลี่ยนแปลงถ้าใบบำพับให้มันนิ่งรู้สึกหมว่ใจจะเกยไป็นันี่คือสิ่งที่พราพุทธเจ้มบอกความตื่นตกสองด้าด้านหลทางทีเีย่อยากดูอยากตังอยากคิดด้านบงพักเกยบนพับกายมาพักใจสอง้นให้ทถ้าทาแล้วก็ หลงตาทีเวรไปไม่ไาบายัยบังคับตัวเองและไปซุ่มปฏิจะไม่ไปรับคนผ่านจะได้เป็นคนดีควบคุมตัวเองได้ได้เป็นคนดีคนดีแล้วก็ทุกแบบคนดีนะทำอะไรอยู่ไม่รักสูงแค่ได้เดยแวกดูเอไหมแค่รู้นะไม่สำนกไม่ตรึงเไว้บังคับหน่อยตนึ่งไ้ไห ลนิสัยที่ไม่ดีนะเลยเขาขึ้ผู้หญิงแวายังบังคับอยู่พลาบไหมมันยังตึงๆนะกายก็ตึงใจก็ตึงแล้วก็ไปได้เยอะดีดเอาให้หมดนะบังคับขึ้นมาก็พูรู้สึกไหมอ๋อบังคับแล้วเนาฟูมีคำพีว่าคริกฐานมหาสติปฐานสูตรธรรปฐานาสอนไว้เมื่อปีพันหกร้อยชอบ ว่าสติอันกำหนดเรนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์ยังไงไหมเราชอบเอาสติเป็นกำหนดกําหนดปุ๊มันจับเลยนะมันทุกข์ขึ้นมาเลยทำไมจะเป็นกหนดเนี่ยท่านสอนประโยคน์ปัญหาคือความอยากอยู่เบื้องหลังการเอาสติเป็นกำหนดอยากปฏิบัติใช่ไหมอยากปฏิบัติปุ๊ทําอะไรขึ้นมาบางอย่างความทุกข์ก็เกิด จะให้รู้ทันนะมันจะถูกหลอกเราจะเป็นได้แค่คนดีเป็นเทวดาเป็นโลงเปน็นนิพพานไม่ได้เยแตได้มั่คนนิพพานต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม้ได้ยเยียเที่ยวแสวงหาธรรมะภายนอกอย่างมาฟังอาตมาพูดเลยธรรมะของอาจรมาอ่านตั้งแต่วดีโอธรรมะของพระสุเทจ้า เราฟังเราหานอย่างนี้เราได้แค่ความจำธรรมะของจริงนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจของตัวเองบ่อยๆกายก็คือรูปธรรมชื่อก็เป็นธรรมะจิตใจของเราเปน็นนามธรรมนี่ก็เป็นธรรมะรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจกายกับใจนี่แหละจะแสดงธรรมะของจริงที่เราดูธรรมะเฉพาะตัวอย่างแต่เดิมเราไม่เคยรู้กาย มันจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นส่ว น, นนานาเป็นเน้ทุกทีหนึง่งเวลาเจ็บไข้อะไรนี่เป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติรู้วิธีกายกายจะแสดงความจ ร, ร, ริงแสดงธรรมะให้เาเองกายไม่ทุกขิอยตลอดเป็นไรทุกขอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกดีย๋ยวเราหายใจเข้าไปหายใจเข้านานๆเป น, านทุกข์รู้สึกไหมหายใจเข้ารูปเดียวสิทุกข์านานานานกจะตาย ต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อกทุกข์หายใจออกก็ให้หายทุกข์หาใจออกไปเรื่ยก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องตายใจเข้าเพแกนทุกข์ทุกข์ตามบิบคั้หรือทุกลงหาใจเข้าออกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ให้ตัวนี้ไม่ีความสุขีแต่ความทุกข์ต่างเวลาเนทุกข์มากกต่ทุกข์น้อยหรือเรานั่งอย่างนี้นั่งนานก็เมื่อย เราก็ต้องเรลยนอยิริยาบถและต้องเคลื่อนไหวเพื่อแก้ทุก อ, อีกแล้วอยู่ไปหลายๆชั่วโมงหิวข้าวกินข้าวแก้ทุกข์แล้วก็ไปขับถายแก้ทุกข์อีกแค่มีสติรู้อยู่ที่กายในการจะแสดงความจริงแสดงธรรมะให้ดูการนี้เป็นทุกข์นี่ของจริงนะมันจะรู้อย่างทราบซึ้งถึงใจการนี้มันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวนี้นี่เรียกว่าธรรมะเฉพาะบุคคลธรรมะเฉพาะตัวจะ ร, รู้อย่างทราบซึ้งถึงใจ ถ, าาาถ้าเาาาราแค่ดดฟังฟังพระพุทธเจ้าอ่านพะเศียปีเกีหรือฟังหลวงพ่อพูดบอกว่าร่างกายนี่เป็นไม่ทาบซึง้งอยูใจเไม่ได้เห็นของตัวเองฟังแล้วเกิดทุกข์ก็ทุกข์ไปนั่นแหละไหมเรียงเกนต่อไปเต้องดูขอ ง, ขอ ง, จ, ง, ง จ, จริงของเราเนี่ยมันถึงจะทราบซึ้งแย่เรากายนี่ภูมิจริงๆไม่ใช่ตัวสุขที่เราเนือ้น อ, อ่อยู่เนกระดูกกระดิ่งเรียนที่ยากดเดีย๋ยันเดีย 9, เ๋ยวเาเดียว้นี้นั่แกทุกข์ันย อย่างแกถ้าเรามีสติรู้อิมพิกายกายก็แสดงธรรมะให้ดูแสดงความทุกข์ให้ดูไม่งั้เราเป็นฟังครูบาอาจารย์สอน้ร่างกายเป็นแต่ความทุกข์จกองทุกข์จุดข้าวจุดขันทุกข์ไม่ซึ้งไม่ทราบซึ้งถ้ามีสติรู้ของจริงเนี้ทราบซึ้งามาดูจิตใจจิตใจแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาจิตของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันรู้สึกไหมเปลี่ยนตลอด แต่เดินเราคิดว่าเราเป็นคนจิตใจมั่นคงแ น, แน่ๆชับคิดอย่างนีคิด ท, ทุกคนเลยหาคนหลายใจเราหาไม่ได้เรกนะเรมีสติรู้ด้ใจเปลี่ยนทุกมันมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายข้ารู่อข้าว่อไปเกิดปัญญาชั้นสูงผู้หญิงก็จิตใจที่เป็นไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ เ, นะหไเห็นอนัตตามันไม่ใช่เรา การที่เห็นจิตใจเป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี้ก็ของจริงจะคราบตัวเราเราไปฟังครูบาอาจารย์สอนจิตเป็นอนัตตาฟังก็ตรงนันนั้นไม่มีความคาด ถ, ถึงใจแต่พอมีสติรู้วิธีจิตใจว่าใจเราไม่เที่ยงใจเราไปสนของบังคับไม่ได้ไมันบังคับไม่ได้จริงจริงนะสั่งให้มันสูงมันยุ่งไม่สูงสงั่งให้รู้หายไปมันก็ไม่หายสาั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้ ดีเกินที่รรักษาให้มันไม่ได้สักษามให้มันช่วต่างกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะโลดเดี่ยวมันจะโกรธมันจะให้ดูของจริงเราจะได้ทำงานเสริมตัวของเราที่ว่าปัจจัดต่างเงินที่โควิดอยู่กี่วิชนมุดลึกอเองทางกายดูไปแรกแรก ก, นะก็ทุกนั้นทุกเรกื่อยเรื่ยปฏติปัญญาแก่กลา้าที่เห็นอนั่างกายก็ได้นะเพราะร่างกายเนี้ยม เ, เป็นทุกขก์จริงแมันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุ เป็นวัตถุเหมือนแผนดินเหมือนน้ำเหมือนก้อนดินท่าที่ไม่คงที่หรือทาตี่มีท่าไหลเข้าไหลออกอย่างหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารเข้าไปแล้วขับท่ายออกเป็นา่าที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆวันึงท่าที่แตกสลายออกไปเห็นการไม่ใช่ตัวเราเราเป็นแค่วัตถุได้เห็นด้วยใจัแล้วชอบพึงถึงใจเห็นกายเป็นผู้เห็นกายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรา ก็ปล่อยวังการเห็นจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นอ น, นัตตาก็ปล่อยวังจิตแล้วปล่อยได้พลังใจก็หมดเมื่อไหร่หมดพลังใจหมดกำลังแต่หมดการสร้างต้นสร้างชาก็หมดฟุ้งความฟุ้งทางใจของเราจะเกิดเป็นใจนเราดิ น, ดน ไ, ไม่ได้ดิ้นหาความสุขอะไรไม่ได้ดิ้นอะไรเคยรู้สึกว่าความสุขรออยู่ข้างหน้าเราความสุขไม่เคยอยู่กับปัจจุบัน ตานเด็กเต็มหวังว่าเรียนหรืงสือจบแจะสูงเมาเรียนจบเสร่จได้ทำงานดีๆแล้วจะสูงได้ทำงานดีๆแล้วถารวยรวยแจะสูงถ้ามีมียเฉก็คนจะสูขได้หนึ่งคนถ้าได้คนที่สองสุกว่านี้ความสุขมันมีแต่อยู่ในอนาคตตลอดไปได้ชื่อเสียงเียรยศคงมีความสุขไปไหนใครๆยกย่องมันคงมีความสุขนะถามันสุขมนถามหนายุ่น เห็นหัวมงอกทุกคนนะก่อ น, นรรมาตมารู้จักขับเรลรูจักท่านทำไมท่านเป็นแม่ทักทัพสองเป็นคะนโทนวงพเราเพี่ยงับเรท่านขึ้นมาเป็นนายกเพื่อสองือท่านถึงหงอกนะมันไม่สูงหรอกคุณผูณ้โอ้ชีวิตนะันเที่ยวหาความสุกเนกระทั่งแก่อยู่ไปจนแก่ มาความสุขแต่เด็ความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดอยู่จนแก่แล้วถ้าวันไหนมันไม่เจ็บป่วยมีสุขเนี่ยเจ็บมากมากนะหวังว่าตายชั่จะปวทุกคนปวดาสัทีความสุขอยู่ข้างหน้าตลอดท่านจะ่เกิดยานตายทำไมไม่รู้จักความสุขของปัจจุบันรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นขึ้นมาให้ความสุขของปัจจุบันเป็นทีนี้เลยศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาของวนพุธ วชาชันนของปัจจุบันมีความสุขได้ตั้แต่ในปัจจุบันค้นทุกได้ตั้งแต่ในปัจจุบันใช่ฝันเมล์แรตายได้อยู่มตตวดาก็สุขหวังแปรทำบุญไม่ชั่นได้รรวยเรื่สุขกรวยแล้วมันก็รวยไม่พอใช่ไหมตอนนี้ไม่อยากทำเลพาความสุขไม่เคยมีเลยตลอดชีวิตมิ่งหาไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆจนตาเลย ชาติหน้าวัดความสุขต่ออีโกโง่นะงโงความสุขอยู่เลยเกี่ยวบอนมีสติขึ้นมาความสุขจริงก็ อ, อะไรก็ความทุกขัทางใจเกิดตอเ น, นืนั้นเมื่ อ, อไรมีสติรู้สึกตัวตื่นขึ้ น, นมาติต ใ, ใจแช่มชื่นเิบอลฉับันแล้วเหมือนความสุขจริงเราจะรู้รสชาติบ้างนะนะรู้สึกไหมเวลาเรารู้สึกตัวขึ้นมาใจนง่มสบาย อย่าง น, นี้ไม่ใช่นะรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ทันมืนนะตรงนั้นนะ่ยโล่สบายโลกระท่ว่างเปล่าสบายรู้จักใจ่อยไหมใจลอยเนี่ยก็วิ่งไปอดีตไปอนาคตนะทิ้งปัจจุบันยังคงธรรมเป็น ไ, ไงวันนี้มาติ่เข้ม <c oughs> ไม่เคยมาชอบติดขึ้น <c oughs> ก็ดีนะมาธรรมะเราต้องฟังเราคิดเอาเอางไม่ได้ ฟ, ฟังเฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติไม่ใช่ฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะฟังฟังให้แค่รู้วิธีปฏิบัตินะไม่ใช่เพื่อให้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างบอกเลยหมเราจะถากต้นได้แค่ บ, บอกทางบอกวิธีใหไม่ใช่ยบอกธรรมะให้เนะื้อธรรมะต้องไปดูเอาเองดูลงพิการที่ใจคือของจริงนะถึงจะทราบซึ้ง เวลาเราแต่ฝันลมแรงๆทั้งวันเราไม่ด sure. ูกใจไม่ดูใจของเราจะคิดคิดฝันฝันทั้งมันก็ปัญหาความสุขอะไรเงยนี่พี่คิดแล้วรู้ไหมคือการดูใจตัวเองรู้ไหมว่าจิตใจตอนนี้ไม่มีอนปกติ่ะไม่เหมือนตอนที่ไม่ได้มารัดไม่เหมือนตอนที่ปฏิบัติตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนกันรู้สึกไหมตอนนี้เหมือนแข็งๆคือรู้สึกไหม ถ้าเราไปวาด้าพการปฏิบัติเราต้องบังคับต้องควบคุมแหมนที่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นเนยแต่เป็นไปตั้งบังคับตลอดคนที่ไม่เป็นปฏิบัตินี่ยจะทํำผิดอย่างเดียวหรือไปหลงแตกส่วนคนที่ชอบปฏิบัติจะผิดสอย่างถ้าไม่เคอแต่ก็บังคับไหมถามว่าบังคับแล้วดีไหมบังคับก็ดีให้เป็นคนดี <c oughs> ไม่ไปทำชั่ว จะเห็นใจเห็นใจตามความเป็นจริงได้ไหมไม่เห็นวอกบังคับเก่งๆหรือที่แม่ครูเก่งข้าสมาธิแน่ๆเป็นบ้านๆครูเก่ง<ส>กิเลสเกิดขึ้นมาพุทโธพุทโธคํามโกรธเขึ้ น, นโธ ท, ที่จะหายมันเลยความโกรธกขึ้นโตโธแล้วโธความโกรธหายมยันครูเก่งแทนที่จะได้เห็นว่าคํามโกรธเป็นนามธรรมามันแตพร้องข้นมาไม่เทียง มุ้บรรทับไม่ได้ไม่เห็นกลายเป็นมู้งเป็นขะจัดไม่ได้เรียนรนะู้มันยิ่งที่ผมข้อสองคือผว่าด่านแรกที่เราหมาย้าเป็นแกก็คือให้เราสติเราเเชิญคือการตามรู้ตามรู้แบบใ น, นชีวิตจริงๆทีนี้เนี่ยมันก่อนที่ผมจะม า, าของคุณ กรรมอนะครับที่เขาชเาีการนะบเปิดตัวบอกว่าเขาบอกช่วงแรกเขาเปิดยังไงเขาเปิโดยพิดมือเลยเนี่ยรือการดันนปสินาการรู้รู้ที่เคื่นไหวนะแต่รู้รู้ที่เคลื่อนไห่รู้วินใจก่อนที่จะรู้รูต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่ทาสมาธิก่อนไปขยับตัวเก็บเข่นม่วนใหญ่ที่มาท่านหลวงพต้องปับให้ เป็นแดดที่สยาับมจะเพ่งมือถ้าไม่เพ่งมือก็ต้องคิดเรื่องมือทำไมการรู้รูปเนี่ยต้องทําสมาธิก่อนเป็นครูบาอาจารย์นัดป่าสอนถูกเป๊ะถูกตาที่ทาเลยนะคือก่อนที่ท่านจะไปเคลื่รงกายท่านทําปนทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วมารู้รู ป, รปมันจะเห็นทันทีรูปไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าสมาธิไม่พอมาดรูปดึงรูปมันเป็นอของหยาดมันดึงดูดจิตใจจถลันกเข้าไปใส่กันเลย เรื่องการรู้กายทําสมาธิซะหน่อยหรือทางท่านเว น, นกาสอนถูกินะเวนกาสอนทําสมาธิก่อนล้วามาเวทนาเวทนาเป็นของที่เอาโวนใจแรงนะจ๊ะอย่างความทุกข์เกิดขึ้นถ้าจิตไม่มีสมาธิพอจะกระโจนใส่ถ้ามีสมาธิพรอมจะเลยเวทนาของถุกดูถูกดูเป็นขอที่แทรกเข้ามาในกายไม่ใช่กายเลยไม่ใช่จิตเลยจิตจะไม่กับเพื่อบันไหวจิตเป็นคนรู้คนดูจริง เป็นกายและเจตนาอยากทำตรงนั้นต้องทำสมาธิก่อนส่วนพวกเราทำสมาธิไม่ค่อยเป็นรู้จิแตแปลงเนี่ยคิดมากคิดมากยากนาน <c oughs> ถ้าจิตตาที่ภาสน์อารมณ์ของจิตของตืงตงตง้นๆโกรธใครๆก็รู้จกักโลภใครๆก็รู้จักหน้าที่ของเราแค่นู้น ไ, ไหวๆนี่ต้องไปทำฌานก่อนรู้แปลงสมาธิเกิดทีหลัง ปัญญานำสมาธิพวกเราคนเมืองที่เอาสมาธินำปัญญาเนี่ยล ำ, ำ, ำบากนิดหนึ่งเพราะพวกเราไม่ค่มีสมาธิไม่มีเวลาวันวันคิดเยอะดังนั้การจะทําสมาธิร่ากายเป็นจุดหลอดเราจุดแข็งของเราคือปัญญามากเราก็ต้องเอาสิ่งที่เรามีมาใช้ไม่ใช่เอาจุดหลอดขอ ง, องตัวงมาใช้ทําสงคลามเอาจุดแข็งเอ ง, เองไม่ใช้เลย เพราามีสติมีปัญญาใช้สติปัญญาหาักไฟรู้กายในคําพีรำนันกสอนพวกที่ฉีจริญพวกคิดมากให้มารู้จิตแต่ถ้าพวกทาสมาธิเยอะพวกปัญหาจริตพวกรักสุขรักสบายให้รู้กายพวกเราพวกคิดมากอยู่แล้ให้ดูจิตกไปเลย